ครั้งที่แล้วเราพูดถึงหาระไปหาระที่สองเองนะหาระที่สองก็ยังอยู่ในอุเทศอยู่อุเทศนี้แปลว่าหัวข้อเหนไหัวข้อของวิจัยหาระในหน้าสองร้อยสาสิบสี่นะทบทวนของเก่านิดหนึ่งก่อนหน้าสองร้อยสามสิบสี่หัวข้อของวิจัยหาระ วิจารหาระก็คือวิธีการพิจารณา11วิธีเ น, นี่ยนะทั้งที่เรากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยเาเรียกว่าเรียนพยัญชนะอยู่นมองในแก้พยัญชนะใช่ไหมเพราะว่าหาราสะ16เป็นเครื่องมือในการพิจารณาพยัญชนะส่วนนยัยนยะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอัฏฐะัน ท, ที่เรากาลังพิจารณาอยู่ตอนนี้เป็นการพิจารณาพยัญชนะการพิจารณาพยัญชนะนั้นต้องพิจารณาด้วยหาราสะ16 นี่นะตั้งแต่เทสน า, าระวิจัยหาระยุติหาระเป็นต้นเฉพาะหาระที่สองคือวิจยะหาระนั้นอนะ่ะเป็นการวิจัยสิบเอ็ดบทนี่นะวิจัยสิบเอ็ดอย่างถ้าเจอหนึ่งพยัญชนะเนี่ยหรือเจอหนึ่งสูตรขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเอาวิจัยหาระก็มาพิจรารณาก่อนว่าในสูตรนั้นอะไรเป็นบทนี่นะอะไรเป็นบทคําว่าบทนี่เป็นภาษาบาลีฉะนั้นคนที่เรียนภาษาบาลีมาก็จะมองเห็นสูตรปั๊บก็รู้เลยว่า ตรงนี้เป็นนามบทอาขยาบทอุปสรรคบทนิบบทเพราะบทมีสี่ในภาษาบาลีานะถ้าพูดเป็นภาษาไทยไทยเราก็บอกว่ามองเป็นคำคำอะ่ะคำเนี้ยถ้าเป็นสมัยนี้ เ, เรียกว่านักพิสูจน์อักษรทั้งหลายแหลเนะเขาจะมองออกใง่ไหมว่ า, เ, าเขียนถูกเขียนผิดสะกดถูกสะกดผิดอะไรพวกนี้นะการพิจารณาบทก็คือการมองเป็นคำคำหรือที่เรียกว่าพิสูจน์อักษร น, นั่นเองทีนี้ข้อสอง พิจารณาปุจฉาะนะเพราะว่าในโลกนี้ถ้ามีคำตอบมาเว้นจากคำถามไม่ได้ะจะต้องมีคำถามแล้วจึงมีคำตอบมีไม่คำพูดลยอยๆเนี่ยนะแม้แต่อุทานขึ้นมานะคำอุทานก็ต้องมีเหตุใช่ต้องมีเหตุแม้กระทั่งแม้ออ๊ะ เ, เป็นต้นเนี่ยคำเหล่านี้ก็ยังมีเหตุใช่หจึงได้อุทานเหล่านั้นมานมาก็ต้องพิจารณาว่าต้นเหตุของสิ่งนั้นๆมันคืออะไระนะก็เรียกว่าคำปุจฉา เมื่อถามอย่างนั้นแล้วคำตอบเป็นยังไงเนี่ยนะแต่ในถ้าเราเรียนวิสุทธิมรรคเนี่ยนะหรือคัมภีร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเช่นกะเทตุกรร ม, มยตาปุจฉาเนี่ยจะมีให้เห็นบ่อยมากเช่นกุศลเป็นไงใช่ไหมอะกุศลเป็น ช, นชไงกุศลเป็นอย่างไรอะกุศลเป็นอย่างไรทั้นตรงนี้ก็คือการพิจารณาคําถามก่อนอเมื่อพิจารณาคําถามเสร็จก็พิจารณาคําตอบมาเออเนี่ยคำตอบมีอยู่อย่างนี้นะ พอพิจารณาคำถามคำตอบแล้วก็คำถามคำตอบต้องเชื่อมกันต้องสัมพันธ์กันนะเรียกว่าถามต้องตอบตรงประเด็นไม่ใช่ว่าถามอย่างหนึ่งใช่ไหมตอบอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เพราะนั้นคำถามคำตอบต้องตรงกันอันนี้เรียกว่าพิจารณาคำหน้าคำหลังนะปุภาประะพิจารณาคำหน้าคำหลังเสร็จแล้วเมื่อพิจารณาเสร็จเนี่ยคำที่พูดต้องไม่ขัดกันเองนะต้องไม่ขัดกันเอง อันนอมามาเหมือนอะไรสมมติว่าของมามาแสดงเนติปกรณ์ที่นี่สี่ครั้งไม่ใช่ว่าครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สี่นี่คนละเรื่องกันเลยนะซึ่งพูดกันแล้วบอกว่าไอ้วันที่หนึ่งมันใช่ไม่ได้นะสมมุตินะว่าวันที่หนึ่งมันใช่ไม่ได้วันที่4ี่ถูกที่สุดเนี่ยนะถ้าเกิดมาครั้งใหม่อีกบอกไอ้ครั้งก่อนก็ผิดอีกเหมือนกันนะมันก็ต้องไม่ใช่แบบนั้นก็ต้องสัมพันธ์กันนะคำพูดครั้งก่อนกับครั้งหลังมันต้องต่อกันมันต้องสนิทกันต้องเชื่อมกันได้ อันนี้เรียกว่าอนุคีติการพูดที่สมควรสอดคล้องต่อกันทั้งหมดนะดันั้นการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งวิธีศึกษาว่าพระไตรปิฎกต้องไม่ขัดกันเองนะพระไตรปิฎกต้องไม่ขัดกันเองไอ้ที่ขัดคือเราไม่เข้าใจเองเราก็เลยนึกว่าท่านขัดเหมือนกับถนนในประเทศไทยเนี่ยจริงๆถนนไม่ขัดกันหรอกแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักถนนก็เลยบอกว่าถนนเนี่ยมันขัดกันหน้าดูมันวนเวียนหน้าดูเลยอย่างเงี้ยนะไอ ต่อไปก็พิจารณาแบบเทศน า, าระนแบบเทศน า, าระอีก6ใช่หเทศน า, าระก็ตามเดิมนะ่คืออาศะทาอาธีนวะนิสรณะผลอุบายและอนัตอาศะามีอยู่เท่าไหร่อันนะอาธะาหนึ่งสุขสองโสมนัส3อิทธารมณ์4ตัณหาหวิปลาดเนี่ยนะ 5, ประการนี้เรียกว่าอาศะธา แปลย่อๆว่าวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมนั่นเองเห็นไหมวัตถุที่น่ายินดีอย่างหนึ่งหรือการเข้าไปยินดีเนี่ยอย่างหนึ่งส่วนอาทีนวะเนี่ยนะโทษทั้งหลายคำว่าโทษในที่นี้เนี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาที่เข้าไปพิจารณาเห็นโทษซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่มีโทษอยู่ด้วยเห็นไหมโทษว่าย่อๆเลยคืออะไรคือทุกขตาสามเห็นไทุกขตาสามนะโทษทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยไม่เกินเนี่ย เพราะบางอย่างทุกข์จริงๆเนี่ยนะทุกข์เจ็บปวดจริงๆเลยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์คะทุกข์นะทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเนี่ยทุกข์จริงๆอย่างที่สองเาเรียกวิปรินามทุกข์ถึงความสุขก็ไม่เที่ยงเอ่อถึงความสุขก็แปรปรวนมีความสุขใดบ้างที่ที่ยั่งยืนอ่ะนะไม่มีมีแต่แปรปรวนไปเพราะฉะนั้นความสุขก็ยังเป็นวิปรินามทุกข์ทุกข์เพราะแปรปรวนไป ส่วนสังขารทั้งหลายเนี่ยนะหรืออุเบกขาเวทนาเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นสังขารทุกข์เพราะไม่เที่ยง น, นะนะเช่นจักรสุหรือคือตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่านะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะนะฉะนั้นการกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา น, นั่นแหละเป็นการประกาศอาทีนวะอาทีนวะอัาธานี้ กับอาทีนวะเนี่ยโดยมากใช้กับอะไรนะทัวในครั้งใช้กับย่อเลยคือใช้กับมหาภูตรูปสี่ว่ามหาภูตารูปสีก็มีอาสาทนะแต่ในขณะเดียวกันมหาภูตรูปสี่ก็มีอาทีนวะอุปาทานขันห้าขันห้านะก็มีอาสาทอุปาทานขันห้าก็มีอาทีนวะต่อไปภาษายตนาหใช่ภาษายตนาคือ ตาหูจมูกลิ้นการใจก็มีอาสาธะในขณะเดียวกันก็มีอาทีนวะนะอาสาธะก็คือมหาพูทธรูปสี่อุปาทานขันห้าภาษายตนาหนี้เป็นเหตุให้เกิดสุขและโสมนัสอันนี้เป็นอาสาธะความที่มหาพูทธรูปสี่อุปาทานขันห้าภาษายตนะเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปลุนไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นอาทีินะวะนะ ทนี้ต่อไปก็นิสรณะคือการถ่ายถอนหรือการออกการพ้นจากมหาภูตรูปจากอุปาทานขันห่าจากผัสสะยตนะหเนี่ยจะออกได้ยังไงนะการออกจากมหาภูตรูปสี่เป็นต้นเนี่ยเรียกว่านิสรณะเนี่ยนะนิสรณะสรณะแปลว่ายึดถือใช่ไหมนะผู้ทังสรณงค้าฉามิข้าพระเจ้าขอยึด ถ, ถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง แต่ทีนี้อุปาทานขันท่าข้าพเจ้าจัดนิสรณ ะ, ะแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยึดถืออีกต่อไปในที่สุดข้าพเจ้าจต้องบอกเลิกจนได้นะนะสักวันหนึ่งจะต้องบอกเลิกตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ตอนนี้บอกเลิกไม่ค่อยได้มันเสียก็ซ่อมนะมันก็ยังยังเลิกมันไม่ได้จริงๆอะนะคำว่าบอกเลิกตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือบอกเลิกอุปาทานขันท่าบอกเลิกมหาพูดเนี่ยบอกเลิกเมื่อไหร่ ไอ้ที่จะนิสสรณะเนี่ยที่เราต้องการนิสรณะนิสสรณะอันไหนพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าไปทําทุกขอันใหม่ให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ฆ่าตัวตายใช่ไหมวิธีในพุทธศาสนาไม่ใช่ฆ่าตัวตายอ้าวแล้วเราต้องการออกจากมหาภูต ร, รูปสีเนี่ยต้องการออกจากผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเย่นในกระดูกหรือต้องการออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องการออกจากอุปาทานขันห้าเนี่ยก็ออกได้ยังไงออกตรงไหนเอาเพราะไปไหนก็ไปด้วย ผูกการไปต่างประเทศยังเอาไปด้วยเลยถ้าไม่เอาไปนะไม่ต้องใช้พาสปอร์ตนะนะถ้าท่ายังมีขันห้าอยู่ก็ต้องต้องอย่างนี้แหละก็ต้องไปด้วยนะของมาถ้าเสียค่าโดยสารมาก็เพราะมีขันห้ามาเนะี่ยถ้าไม่มีขันห้าไม่เสียค่าโดยสารออกนะนะเพราะนั้นไอ้คำว่าออกจากขันห้าเนี่ยเราที่เราต้องการออกเนี่ยออกอะไรออกตรงไหนก็ออกที่ไม่ปฏิสนธิต่อไปนะยนะ ที่เราต้องการออกจริงๆคือออกจากปฏิสนธินะนะออกจากการเกิดอันนี้นั่งรถมาคุณุไรบอกการเกิดนี่มันไม่ดีเลยนะว่งั้นสาทุกแงว่าเออบิวัตตะออมีอัธยาศัยวิวัตะขึ้นมากแล้วเห็นโทษของการเกิดเนี่ยนะนะเพราะว่าปกติศัตร์ทั้งหลายเขาเพลดิดเพลินในการเกิดใช่ไหมก็เลยต้องเกิดบ่อยๆนี้ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดเนี่ยนะนะถึงจะยังไม่พ้นจากการเกิดแต่ก็รู้แล้วว่าการเกิดนี่มี มีภัยเพราะงการที่จะออกนิสรณะคือออกจากการปฏิสนธิทีนี้ทํายังไงที่จะหยุดไม่ให้ปฏิสนธิมันเกิดขึ้นล่ะเนี่ยนะทำยังไงไม่ให้ปฏิสนธิมันเกิดขึ้นเขบอกมันมีธาตุชนิดหนึ่งธาตุที่สลัดออกจากสังคตธ า, าตุเนี่ยนะเมื่อมีสังคตธ า, าตุก็ต้องมีอสังคตธ า, าตุสมัยบัณฑิตท่านพิจารณาว่ายังไงถ้ามีความร้อนมีอยู่ ความเย็นเนี่ยจำต้องมีฉั้นใดใช่ไหมถ้าการเกิดมีอยู่นิพานที่ไม่เกิดก็ต้องมีเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติให้เห็นผลคื อ, อนิสรณะคือนิพานเนี่ยที่เป็นธรรมะที่สิ่งที่พ้นจากความเกิดนั่นนะฉะนั้นคําว่านิพานไม่ได้แปลว่าตายใช่ไหมนิพานไม่ได้เป็นวัยพจน์ของความตายแต่นิพานเป็นคําที่ใช้แทนคําว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นก็บอกท่านนิพานแล้ว ก็ท่าก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าออท่านตายแล้วนิพานไม่ได้แปลว่าตายแต่แปลว่าไม่ตายเนี่ยนะนิพานนี่เป็นชื่อของอมตะแต่ทีนี้ของเราทั้งหลายมันก็อดคิดจะเอาขันห้าไปไม่ตายอีกจนได้นั่นแหละไ อ, อ้บอกว่าสิ่งที่ไม่ตายเอาขันห้าไปสวมเลยเออขันห้ามันคงไม่ตายอยีกนั้งหัวขันห้าหน้าดูเลยแสดงว่าไม่รู้จักโทษอ่านะอารีนาวะเนี่ยรู้โทษของอุปาทานขันห้าน้อยไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่า นิพพานเนี่ยคือธรรมชาติที่ไม่ตายก็จะเอาขันห้าไปสวมอยู่ตลอดเวลาเออแล้วขันห้าไปอยู่ได้ใช่ไหมนะมันก็บอกว่าท้านิพพานที่ใดมีขันห้าอยู่ด้วยนิพพานที่นั่นจะขายดยาีเพราะคนต้องการมากาต้องการไปอยู่ดินแดนแห่งนิพพานที่ต้องมีขันห้าต่อไปแต่ขอให้รู้เถอะว่าไม่มีขันห้าตัวใดที่ไม่มีโทษ พระพิสุไปถามว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญมีไหมขันห้าสักขันหนึ่งอ่ะที่มันเที่ยงมีไหมไม่มีเนี่ยนะถ้ายังมีขันห้าขันห้าที่เที่ยงไม่มีมันต้องการถ่ายถอนจากขันห้าแต่การถ่ายถอนจากขันห้าได้อ่ะต้องแทงตลอดธาตุชนิดนั้น่ะธาตุเป็นที่ออกจากขันห้าเรียกว่าอะไรนิสรณนิยธาตุเนี่ยนะก็คืออาศังขตะธาตุนั่นเองเป็นชื่อของพระนิพานเนี่ยนะ พัะ น, นิสรณะหมายถึงพระนิพพานที่ถ่ายทอนที่สลัดออกจากขันธ์ห้าทีนี้ผลนะผลผลผลผลของอะไรผลของเทศนาว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเนี่ยมีผลยังไงมาดูผลของเทศนาเนี่ยในหน้าหน้าสองสี่เอ็ดพูดถึงผลของเทศนานะมาต่อครั้งที่แล้วนะทั้ง ที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยทวนของเก่าอย่างเดียวนั่นน่ะไม่ใช่ทวนของเก่าแล้วเหมือนกับฟังใหม่เลยแย่แลนั่นผลมีสองอย่างนะถ้าแบ่งไปแล้วเครียกว่าผลโดยตรงกับผลโดยอ้อมอย่างนั้นน่ะหรือผลที่สืบสืบกันไปเนี่ยนะผลโดยตรงครับมุกขยะผลเนี่ยผลตรงตรงอันนี้หมายถึงผลของเทศนานะผลของเทศนาเนี่ยเมื่อฟังจบต้องได้ผลอะไรบ้างในขณะถ้าฟังธรรมเลยน่ะ ถ้าเรียกว่าฟังธรรมแล้วได้ผลหนึ่งสุตมยะปัญญาเนี่ยต้องได้ <c oughs> หรือเรียกว่าถ้าว่าแบบอุกรฤษหน่อยนะถ้าฟังธรรมเนี่ยผลที่จะได้ชัดเจนน่ะก็ได้ตามวิมุตตายตนะหา 5, ใช่หมว่าการฟังธรรมนี้ก็เป็นเหตุให้บรรลุได้เนี่ยนะตามวิมุตตายตนะนะอันนี้ถ้า ถ้าไม่ได้บรรลุละ่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสุตมยะปัญญาต้องได้ได้ว่าอย่างไงบ้างเนี่ยนะถ้าฟังจบนะต้องได้ว่าอย่างไงอ่านะไม่ทราบว่าสุตมยะยานเรีย น, นไปถึงไหนนะ ไ, ไม่ทราบอ่านะถ้าฟังแล้วต้องได้เนี่ยสุตมยะยานี่ได้อะไรได้ว่านี้ควรรู้ยิ่งใช่ไหมอภินยยยะนี้ควรกําหนดรู้เรียกว่าปริญญ ย, ยะนี้ควรละปะหาตัพระนี้ ควรทําให้แจ้งสัจจิกาตาพภะนี้ควรเจริญพาเวตาพภะเนี่ยพอฟังจบแล้วต้องแยกเป็นอย่างเงี้ยแยกว่าเออนี้ต้องรู้ยิ่งนะนี้ต้องกําหนดรู้นี้ต้องละนี้ต้องเจริญนี้ต้องทําให้แจ้งไม่ใช่ว่าก่อนฟังกับหลังฟังฉลาดเท่าเดิมก็แยกมันก็ต้องพัฒนาขึ้นวันไม่มีสุตตามิยะปัญญาคือรู้ว่าเออเนี่ยกําหนดรู้นะนี้ละนี้เจริญนี้ทําให้แจ้งหรือว่าฟังแล้วก็แยกแยะออกเนี่ยนะถ้าทุกขศาสตร์ต้องเป็นยังไง สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุขาสัพเพธรรมาอนัตตาแยกเป็นเลยถึงในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งเนี่ยก็มาแยกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกขและเป็นอนัตตาเพราะในนั้นจริงๆก็ไม่ได้มีอัตตาอะไรแล้วในสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นนะถ้าในส่วนของกุศลนี่ก็ยังมาแบ่งประเภทว่าเออ เ, อเนี่ยพาเสื่อมนะเป็นอะไร ฐานะาคยะนี้ส่วนแห่งการดำรงอยู่เป็นทิติภาคยะนี้ทำให้วิเศษยิ่ ง, งขึ้นไปเป็นวิเศษสภ า, าคยะส่วนนี้ชำระ ก, กิเลสได้นะอันนั้นเป็นนิเพทะภ า, าคยเนี่ยนะนันก็อันนั้นเป็นผลของสุตมยายานทีนี้ถ้าผู้ที่มีสุตตมยายามเนี่ยถ้าเขาฟังแล้วจุดจบจริงๆอ่ะเขาต้องจบด้วยการรู้อะไร อีทางทุกขังอริยสัจจังเพราะฉะนั้นเมื่อฟังถึงที่สุดต้องบรรลุอริยสัจว่ารู้ว่านี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรดนี้นิโรธาคามินีปฏิปทาถึงรู้ว่าทุกก็ต้องบอกกําหนดรู้นะสมุทยัยปหานะนะนิโรธทําให้แจ้งมัดต้องเจริญอันนี้เป็นสุตะมายญาญว่าฟังแล้วต้องเป็นอย่างนั้นผู้พูดเองเนี่ยนะผู้แสดงธรรมเองก็ต้องชี้ไปหาจุดนั้นให้ได้ ถ้าชี้ไปจบที่อริยสัจไม่ได้ก็ไม่ได้เรียกว่าธรรมมกระถ์อะไรเนี่ยนะผู้แสดงธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมมกระถ์พระพิสุไปถามว่าด้วยประการอย่างไรเนาะพิสุชื่อว่าธรรมมกระถ์เนี่ยนะก็คือผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบือหน่ายคลายกําหนัดในอุปาทานขันห้าผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในอายตนะทั้ง6กอะเรียกว่าธรรมมกระถ์เนี่ยนะก็ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเบือหนายและคลายกําหนัดในอุปาทานขันห้าเรียกว่าผู้ปฏิบัติดี ผู้ที่ปฏิบัติแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าเรียกว่าปฏิบัติแล้วหลุดพ้นอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่ถือมั่นก็เรียกว่าพลาดหาันน่นะโดยยาณนะหรือญาณเนี่ยเขาแบ่งเป็นอย่างนี้นะเจนพรเขาแบ่งสุตตมายายญาณ น, นะปัญญาที่ฟังแล้วทรงจาไว้ได้ชื่อว่าสุตตมายายญาณ เมื่อฟังจําไว้แล้วมาสังวรตามที่ฟังเป็นสีลมายายานผู้ที่สังวรตามนั้นแล้วจิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิภาวนามายายานผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วก็กําหนดปัจใจเนี่ยนะเรียกว่าปัจจยะปริคหายานเมื่อกําหนดปัจจัยแล้วพิจารณาโดยสังเขปถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของขันห้าก็เป็นสัมมสนายานพิจารณาเหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าก็เป็น อุทยพยาญาาตามเห็นความเสือเส่อมไปเสียไปแตกทำลายไปก็เป็นพังคยานหรือวิปัสนาญาณเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในสุตตามยายานก็คือฟังให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนเนี่ย น, นะจนทอนออตรงอริยมรรคเนี่ยนะเป็นหัวข้อธรรมคืออยู่ในกลุ่มนิสรณนะเนี่ย น, นะหัวข้อของเทศน า, าระนะทบทวนนะมี6อย่างใช่ไหมหนึาา่งอาทะสองอาทีนวะวสนิสรณนะ สี่ผลหอุบาย6อนัต App. อนะสุญญตาหมักเนี่ยนะผู้ที่มากด้วยอนัตตานุปัสนาน่ย น, นะผู้ที่มากด้วยอนัตต า, านุปัสนาบรรลุสุญญตาหมักผู้ที่มากด้วยอนิมิตตานุปัสนาหรืออนิจจานุปัสนาผู้ที่มากด้วยอนิจจานุปัสนาจะได้ออนิมิตตาหมักผู้ที่มากไปด้วยทุกขานุปัสนาเนี่ยจเจริญทุกขานุปัสนามากจะได้อปปนิหิตตาหมัก ผู้ที่เจริญอนาตานุปัสนาคือเขามีปัญญินทรีย์มากผู้ที่เจริญอ น, นิจจานุปัสนาเขามีสัจทินทรีย์มากผู้ที่เจริญทุกขานุปัสนาเนี่ยเพราะเขามีสมาทินทรีย์มากเพรา ะ, ะอินทรีย์สาเป็นตัวกําหนดวิปัสสนาทีนี้วิปัสนาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเจริญไปโดยลําดับก็จะเป็นมรคนั้นๆเั้นถ้าบอกว่ามรเหล่านี้มาจากอะไรบอกว่ามาจากอนุปัสนานั่นเองนะ แต่คาที่ใดใช้คําว่าอนัตตานุปัสนาอย่างเดียวนะอนุปัสนาเจ็ดเท่ากับกล่าวแล้วเนี่ยนะแต่ว่ายกอ น, นัตตานุปัสนาคิดว่าคนนั้นอะชำนาญเรื่องนี้เป็นหลักเนี่ยนอย่างเช่นอ่ะอย่างยกตัวอย่างของของเราในห้องเนี่ยเอาง ม, มามาด้วยกันนะผู้การเขาชํนานาอนัตตานุปัสนากว่าคือกลุ่มอนัตตามากกว่าเพื่อนเขาก็อุปมาว่าไงก็อบอกเหมือนกับเราไปยินดียินร้ายกับรถชาวบ้านเขาอ่ะ ไม่มีอำนาจอะไรเลยอะ่ะรถเขาเสียเราก็เสียใจรถเขาใช้ได้เราก็ดีใจอ่ะนะนั่งหัวเราะนั่งร้องไห้ยอยุยฟังหนึ่งอะ่ะไม่มีสิทธิ์ไปใช้กับไอ้คันนั้นเลยอะ่ะอันนั้นคือประกาศถึงเราไม่ได้ไปเป็นเจ้าของอะไรในสิ่งนั้นเลยเนี่ยนะถ้ามันดีเราก็ดีใจถ้ามันเสียเราก็ไปเสียใจอันนี้เรียกว่าเห็นโดยความเป็นอนัตตากผู้ที่จเจริญอย่างนี้มากอันนี้นนี้หนึ่งตัวอย่างนะ ไม่ใช่ว่าเจริญแค่นี้แต่ว่าแนวเนี้ยแต่ไปทํามากเจริญมากพิจารณามากไออุปนิสัยของการพิจารณาทําให้บรรลุมรักมรักอันนั้นเป็นสุญญะมรักแต่ถ้าบอกว่าหมันของชั่วคราวทั้งนั้นแหละเนี่ยใช่ไหมสมบัติในโลกนี้เป็นของชั่วคราวสมบัติผลัดกันชมไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอก น, นะตายแล้วเกิดมาเออคนเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมดเนี่ยนะ โฉนดก็ไม่รู้ที่ดินเนี่ยนะไม่รู้เปลี่ยนกันปกี่โนดแล้วก็ไม่รู้มันก็ไม่มีใครของใครอย่างแท้จริงอ่ะนะันก็ไม่ใช่ใครเลยจริงๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นชั่วคราวทั้งนั้นผู้ที่เจริญแบบนี้มากๆในอุปาทานขันท่าเนี่ยอย่างนี้จะได้มัดคืออนิมิตตมัดส่วนผู้ที่บอกโอ้โหขันทุกขันเนี่ยมันเป็นภาระเหลือเกินน่ภาระมากจะต้องบริหารตื่นเช้ามาบริหารยังไงบ้าง เชิ้ชาล้างหนะ้าแปลงฟันทํามาเข้าครัวอกีกกว่าจะเบ็ดเสร็จทำม า, าทำมาเพื่อจะไปหากินอีกต่อไปนะเพื่อมามีกินแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปขนาดบริหารดี B, ขนาดนี้นะอสราพิษ4คือธาตุสีมันก็ตัดไม่เลือกอุปาทานขันห้าก็ไม่ต่างจากเพชรจากาตทั้งห้าไอ้ตันหาก็จะนําเกิดอย่างเดียวเนี่ยอยภาระอะไรจะวุ่นวายขนาดนั้ น, นนะไม่มีจบมีสิน้นอันนี้เขาเรียกว่าพวกนี้มากไปด้วยทุกขานุปัสสนา มันถ้าเขาเจริญแบบนั้นมากอริยมรรคของเขาจะเป็นอปปนิหิตมรรคนนะนะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวเรื่องยาวเลยนะสามข้อนะั้นนะจริงพระพุทธศาสนาที่แสดงทั้งหมดก็เพื่อเข้าถึงความเข้าใจเหล่านี้นะก็เป็นหัวข้อเอกเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งวิสุทธิมรรคเนี่ยขยายเป็นเล่มๆ เ, เลยนะ แ, แสดงว่าใหญ่มากย้อนมาที่วิจัยผลอีกครั้งหนึ่งนะว่าผลเนี่ยผลโดยตรงก่อนนะผลโดยตรงเนี่ยมีอยู่ก้าอย่างด้วยกัน ข้อแรกก่อนนะสุตมยปัญญานนะข้อสองรู้อัดหรืออัดเทเวทเนี่ยนะแล้วก็รู้ทำรรธรรมเวทเวทะตัวนั้นแปลว่าความรู้รู้อัดและรู้ธรรมคําว่ารู้อัดเนี่รู้ยังไงอ่าโดยทั่วไปเนี่ยคำว่ารู้อัดมีหลายกลุ่มนะแต่ตรงอัดหมายถึงปัจจยุ บ, บันธรรมก็ได้อัดหมายถึงปอยอเรียกว่าปัจจยุ บ, บันธรรมธรรมะหมายถึงตัดใ จ, จอันนี้ในหนึ่ง อีกในหนึ่งคำว่ารู้อัดรู้ทำรรเนี่ยรู้อัดก็คือรู้ว่าคำตรงนี้หมายถึงอะไรคำตรงนี้หมายถึงศีลคำตรงนี้หมายถึงสมถะคำตรงนี้หมายถึงวิปัสสนาคำตรงนี้หมายถึงมรรคคำตรงนี้หมายถึงผลฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ารู้รู้อัดส่วนรู้พยัญชนะก็คือเห็นสับแล้วรู้หมดเลยว่าสั์เหล่านี้มีความหมายเท่าไหร่ขอบเขตยังไงเนี่ยนะ ถ้าผูดอีกในหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่ฟังทำแล้วรู้อัตรู้ธรรมเนี่ยถามว่าแค่ไหนฟังแล้วสงเคราะห์ลงเนติปกรณ์ได้หมดเลยนะเขาเรียกว่าผู้ที่เอาเอ า, เอาแบบตัวอย่างของเราก็คือพระมหากัจยานะใช่ไหมพระมหากัจยานะเนี่ยท่านฟังทำปับ๊บเนี่ยท่านรู้เลยว่าอัฏฐะเนี่ยต้องเอาในยะอะไรมาจากนะเอานันทิยาวัตตะติปุกคละหรือสีหวิกีลิตะในมาเป็นเครื่องวัดท่านฟังออกเลยแล้ว ธรรมะเหล่านี้เนี่ยต้องเอาหาระสิบหมามาตรวจสอบมาพิจารณาอย่างไรเนี่ยนะก็ฟังออกแยกแยะได้หมดเลยทีนีเ้เมื่อรู้อัตรู้ธรรมเนี่ยก็จะต้องอบรมวิสุธทธิหประการใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไปเข้าถึงอริยมรรคเนี่ยนะวิสุธทธิหประการคืออะไรหนึ่งสีละวิสุธทธิเนี่ยนะสองจิตตาวิสุธทธิสาทิฏฐิวิสุธทธิสี่ ตังขาวิตรณวิสุทธิหมัคคามัคยาณทัศนวิสุทธิ6ก็ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิอ้าวแล้ววิสุทธิข้อสุดท้ายไปไว้ไหนอ่ะก็ไว้ที่อริยมรข้างบนไงอริยมรข้างบนนั้นเป็นวิสุทธิข้อสุดท้ายเรียกว่ายาณทัศนวิสุทธิอยู่แล้วอันนี้เป็นผลตรงๆของเทศนาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยผู้ที่ฟังโยนิโสมนสิการแบบนั้นเนี่ยฟังแล้วปฏิบัติตามนั้นได้ทันที ตั้งคำถามว่าปฏิบัติแล้วบรรลุเองกับฟังธรรมแล้วบรรลุอันไหนมากกว่ากันสมัยพุทธกาลนะฟังธรรมนะไม่มีรองโอ้โหชวนกันไปปฏิบัติบรรลุพร้อมกันพริบเลยห้าร้อยหายากแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบบรรลุแปดหมืสี่พันอันนี้เรื่องธรรมดาใช่ไหมเรื่องธรรมดาเพราะเขามีบรรลุมากกว่านั้นก็มีเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมแล้วตรัสรู้เนี่ยนะมีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะขณะที่ที่ฟังธรรมเนี่ยซึ่ง ท่านอธิบายว่าก็เมื่อบุคคลเมื่อฟังธรรมนั้นเมื่อฟังธรรมะนั้นย่อมรู้ฌานวิปัสสนามากและผลในฐานะที่มาแล้วหมายความว่าเห็นคํำแยกแยกออกหมดเลยเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ปีติก็เกิดเมื่อปีติเกิดอะไรเกิดะนะปีติเกิดก็เป็นเหตุแห่งปัสสัทธิปัสสัทธิก็เป็นเหตุแห่งสุขสุขก็จะเป็นเหตุใกล้ของสมาธินี่นะ เมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคาคม่นีปฏิ ป, ปทาก็ไปนะที่มาแล้วนั่งเออเนี่ยที่นั่งอยู่นี้ทุกเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอาจารย์สันตินั่งอยู่นะเออนี้ทุกอา้อาวอ้าวสุขหรือทุกอ้าวทุกมีแต่เราเห็นไหมก็กําลังนึกแหละนะ กำลังนึกว่าเออทุกจริงจริงเนี่ยนะไอคำว่าทุกไม่ได้แปลว่าท่านนั่งเจ็บปวดใช่ไหมทุกเพราะอะไรยะถทานนิจังตังทุกขงังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเนี่ยนะแล้วก็ยังประกอบด้วยทุกอันอื่นอีกเนี่ยนะทุกอย่างอื่นอีกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยเขาบอกว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกเดี๋ยวจะได้กล่าวในนอนท์อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นผลของเทศนาเนี่ยนะว่าหมายถึงว่าฟังแล้วกุศลต้องเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไป ฟังแล้วสติปัญญาขึ้นสรุปว่าฟังธรรมเมื่อได้สุตรรมยามิยญาณศีลมยายาิยญาณสมาธิภาวนามยายานิยญาณแล้วก็วิปัสนาทั้งหลายก็เกิดขึ้นระหว่างฟังธรรมเนี่ยนะเพราะั้นพวกที่ฟังแล้วบรรลุตามนี้ได้ก็มีใช่หแต่ถ้าไม่ได้บรรลุทำไงอะฟังแล้วมีสุตรรมยามิยญาณอย่างนี้แล้วก็เอาไปจินตาต่อ น, นะเอาไปจินตามิยปัญญาต่อไปใช่หเอาไปอบรมไปค้นคิดไปพิจารณา หรือไม่ใช่ว่าฟังอย่างหนึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างหนึ่งอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะ บ, บรรลุอริยสัจเขาฟังอริยสัจกลับไปก็ต้องไปพิจารณาอริยสัจ ต, ต่อไปเนี่ยนะในที่สุดก็จะบรรลุอริยสัจอันนี้เป็นผลของน้ําที่เป็นบุญเนี่ยนะเรียกว่าฟังทำแล้วบุญเจริญขึ้นเจริญขึ้นทีนี้มาดูว่าผลของการฟังธทำแล้วอะทําให้มีวัตถุดีขึ้นเนี่ยนะทำให้ได้วิบากและกรรมชั่รูปที่ ดีขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าปรมประผลเช่นเมื่อฟังธรรมอ่ะนะฟังธรรมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมถะวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยเมื่อฟังเรื่องทานเนี่ยคนจะให้ทานมากขึ้นใช่ไหมปกตินีก็เมื่อให้ทานอันนั้นก็เป็นเหตุแห่งอะไรพวกสมบัติเป็นต้นเนี่ยนะการให้ทานนี่เป็นเหตุแห่งพวกสมบัติถ้ารักษาศีลเป็นเหตุแห่งสุขติภูมิ ถามว่าให้ทานอย่างเดียวเกิดในสุขติภูมิได้ไหมอย่างเดียวนะไม่รักษาศีลเลยอ่ะอา้าปกตินะมีปกติมีทุศีลตลอดแต่ให้ทานทานโดยลําพังทานเนี่ยตัวตัวทานตรงๆนะถ้าไม่มีศีลมามาอุ้มชูอยู่เนี่ยไม่สามารถข้ามพนอบายได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะปิดอบายจริงๆเริ่มที่ศีลเคยเห็นเดสัตว์เดรัจฉานมั่งมีไหม มีไม่สัตว์เดรัชานมั่งมีอ่อ้าไม่มีได้ยังไงโห่หมาบางตัวเนี่ยเจ้าของทำที่นายกรรมไว้เป็นร้อยล้านเลยอ่ะใช่ไหมเจ้าของตายแล้วรักมันมากนะทำที่นายกรรมมาจัดคนเลี้ยงดูตั้งบ้านให้มันอยู่อย่างดีอะไรอย่างดีมีมีทนายประจําตัวด้วยนะคอยดูแลทรัพย์สมบัติเลี้ยงสุนัขอย่างเดียวอ่ะเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเชื้อเชิญเจ้าหมีแพนด้ามาจากประเทศจีนสองตัวใช้เนื้อที่เป็นร้อยไร่เนี่ยนะ ลงทุนกว่า5้าิบล้านเนี่ยนะมีบุญขนาดไห น, นคนไทยเองเนี่ยมีกี่ครอบครัวที่จะมีขนาดนั้นอ่ะนะมีที่หลายร้อยไร่มีลงทุนให้าสิบล้านเนี่ยอันนี้เป็นผลของทานเนี่ยนะท่านเดาชะฉนก็มั่งมีได้แต่ว่าเพราะศีลไม่ดีอ่ะนะจึงไปสู่อาบายเนี่ยนะพพวกที่ไปเกิดในอาบายเนี่ยนะไม่ต้องเป็นผลจากกายทุจริตหรือว่าจีทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละจึงไปเหตุเกิดในอบาย เพาะฉะนั้นความทุจริตนั่นแหละคือการไม่มีศีลเนี่ยนะฉะนั้นผู้ที่ฟังเรื่องศีลเนี่ยจะต้องรักษาศีลยิ่งขึ้นไปใช่ไหมอันนั้นะถ้าไม่ได้สามารถตรัสรู้อริยสัจอย่างที่กล่าวไปอย่างน้อยสุขติพบก็ได้ที่จริงนะของเราไม่รู้มีบุญกันมาได้ยังไงเรานะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของบุญนะถ้าไม่ได้ผลของบุญเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นมนุษย์อยู่แล้วแล้วพระองค์บอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากและไอ้ที่ยากกว่านั้นนะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยาก ที่จะมีชีวิตอยู่อีกก็ายากไอ้มีชีวิตอยู่มีแบบเต็มน่ะนะมีแบบไม่พิการนี่ก็ายากจะเออเรียกว่าตาไม่บอดหูไม่เสียจมูกไม่แหว่งเพดานไม่โบลิ้นไม่ขาดเนี่ยนะร่างกายเนี่ยเรียกว่าเอาไปเกณฑ์ทหารก็เขารับได้เนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะักเลที่ที่จะได้เครียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ง่ายแล้วทีนี้ในด้านวัตถุเป็นอย่างนี้แล้วสติปัญญาล่ะกว่าจะได้เรียกว่า มหาวิบาศกที่ดีๆหน่อยนะติเฮตุกะปฏิสนธิฟังอะไรก็รู้เรื่องไปหมดไม่เยี่ฟังอะไรก็โอ้โหไม่เข้าใจสักเรื่องเลยนะที่ที่เรียกว่ามีสติปัญญาเนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้บุญขนาดไหนเพราะอินทรีห้ามาจากคนละบุญคนละบุญเลยนะตาก็มาจากบุญอย่างหนึ่งหูก็มาจากอีกบุญอย่างหนึ่งจมูกก็มาจากบุญอีกอย่างหนึ่งลิ้นก็มาจากบุญอีกอย่างหนึ่งกายก็มาจากบุญอีกอย่างหนึ่งนะนั่งมรดยอมก็เล่าว่าเรียนเนติปรกรณ์กันไปได้ใช่ไหม ถึงปัญหานี้เรื่อยังว่าอินทรี่ห้ามาจากคนลกรรมเหนไตาก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งหูก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งจมูกลิ้นร่างกายเนี่ยก็มาจากโคนลกรรมถ้าเรียนลักขณะสูตรจะรู้ว่าสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยกรรมไม่รู้กี่พันกรรมะที่มาแต่งประเป็ น, ปนพระพุทธเจ้าะนะท่านเขาบอกว่าของดีในโลกคือของที่มันหูใช้ปัจจัยเยอะมาปรุงแต่งเรียกว่าของดีที่สุดใช่ไหม มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมนุษย์ที่ได้สุขติภูมิดีขนาดเนี้ยบุญอย่างมากมาตกแต่งทีนี้ถ้าบุญมากนะมดว่าถ้าศีลปานามไม่ดีอะไรเกิดชีวิตสัน้นอธินาทานไม่ดีอะไรอีกทรัพย์น้อยหรือมีบ้านบ้านก็ถูกไฟไหมมีแล้วก็รีบเสียเลยนะมีรถก็ออกไปให้ชนซะเนี่ยนะไอชนแบบไม่มีทางได้คืนเนี่ยลักษณะ น, นั้นนะถ้า ผิด้อกาเมสตรูมากานะนมุสาวาถถูกหลอกประจำอย่างเ้นะถ้าสุราเอกก็นั่งกับสะเงาะสะแงเลยนะ